ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับ 6 ความจริง ก็ลืมชื่อไปเป็นเครียดวันนี้ ชาวอินทรกะแล้วก็เป็นท้าวมหาราชคือคือว่า <c oughs> ท่านเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาชั้นก็เป็นกุมภพันเป็นของท้าววีรน 6 ก็เป็นว่าท่าน ก็ขอคุยกันต่อไปถึงเรื่องของ แต่ทั้งนี้ก็ 1 ตาย 2 ถูกกัก 3 ทุพพลภาพอย่างนี้คงมาไม่ และมีโอกาสจะไปรับได้แต่ถ้าว่าการบ่นเทวดาบรรดาท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่า deze tijd boven de je een geslacht van, van een dan moet je een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een een keer een keer een een een 3 ไก่ต้ม 1 ตัวสำหรับหมูต้มหรือไก่ต้มถ้าคนมีสตางค์หน่อยหมูต้มใช้ไม่น้อยกว่าครึ่งกิโล ของหวยก็มีเพียง จะขอนําธรรมะกลั้วเข้ามากับเรื่องเค้านิทานขอบรรดาแต่การไม่จริงก็ไม่สากถือว่าเป็นนิทานก็เป็นอัน <c oughs> พอกลับมาๆเวลานั้นเธอๆผิวขาวเมื่อ เธอเวลานั้นไม่มีเวลาพบกันถึงถึงตั้งแต่ตอนบ่ายเวลานั้นไม่มี อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลานี้ลูกสาวของอยู่ที่ไหนเธอยังมีชีวิตอยู่หรือว่า เราไม่สามารถจะจัดการให้ได้ไม่สามารถจะจัดการให้ได้ถ้าจะถามว่ารู้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ <c oughs> เพราะว่าสมาธิชั้นสวะของอาตมานี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาถ้าเค้าถามมานี่ไม่แน่นักถ้า <c oughs> มันก็เป็นคนเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตาย สิทธิคือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้อง ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik We hebben een in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb we niet in de tijd. Ik heb het niet in de Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet niet in ต่อไปก็แนะนําเทว่าเอาอย่างนี้ดีคุณ แต่ว่าทางนี้ๆนะพอบอกเท่านี้เค้าก็บอกว่า เวลานี้คุณไม่อยู่บ้านถ้าโอกาสแกงก็คนจะใช้ชิ้นละไม่ต่ำ ต้องหยิบไฟธองอย่างใดน้อยๆก็ได้คุณตั้งโต๊ะเอาโต๊ะที่กุฏิฉันมีมาตั้งเข้าแล้วก็ขาว ถ้าหักว่าไม่เกิน ราย 2:10 น. เค้าทัน ถวายเครื่องเซวร์ท่านก็บอกว่าถ้าลูกสาว 4 วันเสร็จๆ5 วันไม่ 5 วันนะจําไม่ได้ก็ปรากฏว่าบุคคลคณะนี้กลับมาอีกขอประทานอภัยลืมบอก ว่าเจ้าภาพชุดนี้อยู่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร หลังจากจากผมบนโรงหนุนพร ฟังแล้วก็จําๆแล้วก็คิดๆอย่าจําหนิดกันเพราะมันเป็นกฎของกรรมเธอ <c oughs> แต่กลับไปก็เป็นเด็กชอบรักษาประเพณีตามแบบโบราณแต่ความจริงจริงสารสารเพณีอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะ เพราะการจะแต่งงานก็ต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้ แล้วมีการหวงแหนนี่ตามความรู้สึกของอาตมาที่เป็นผู้ชาย มันเป็นของไม่อยากและท่านผู้นายท่านก็ไม่ถือตัวท่านก็ถือว่าจับหรือวางอะไรมีญาติผู้ใหญ่คนนึงเป็นคน เป็นคนหมู่เดียวกันคนหมู่เดียวกันเธอนัดแน่กับผู้เธอเป็นว่าคน เธอก็เห็นบ่เป็นเพื่อนบ้านปกติก็มีมีอะไรเป็นคนที่น่ารักชอบพอกันมากก็เวลาญาติผู้ใหญ่ที่เฝ้าบ้านอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าฉัน นั่งอยู่ที่นั้นอยู่ที่ตลาดแล้วไปเจอเพื่อนหญิงเข้าเธอเข้ามาทักทายปราศัยเค้าก็คุยกันเบาๆฟังไม่รู้หรือรถยนต์ แต่ชาย 2 คนก็บอกกับเพื่อนบอกเราจะไปเที่ยวจังหวัด เป็นอามว่าชาย 2 นี่ว่า รถแท็กซี่ไปสถานีรถจนสายใต้เจ้าสายใต้ก็ไปจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นว่าเธอก็จําเป็นจําใจจะต้องไปกับเขาเสื้อผ้าก็มีไปชุดเดียวแต่เพื่อนหญิงเค้าเตรียมพร้อมสําหรับเพื่อนหญิงน่ะเสื้อผ้าฝากคนไว้ที่ตลาดเรียบ เท่าฝ่าแล้งคาที่รู้จักกันไว้ก็เป็นว่าเธอก็ใช้เสื้อผ้าของเพื่อนแล้วต่อมาชายหนุ่มก็ซื้อเสื้อผ้าให้เธอใช้ไปพักที่จังหวัดสุพรรณบุรีจมจิตทมเมืองเป็นเขตของอำเภอบางปะมาเมื่อเธออยู่ที่นั่นมันก็เหงาเคย <c oughs> ตาปาที่ไหนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ก็มีเพื่อนยิงที่ไปด้วยกันคุยกันว่าง นั้นจะมากรุงเทพฯคนเดียวก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเมื่อ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอยู่บ้านท่านไม่นิ่งดุ เราจะบอกเค้าว่า เมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งหมดเมื่อรถจนเข้ามาใกล้เค้าวิ่งออกไปจากบ้านขอขึ้นรถจนรถจนก็รับและคนในบ้านก็มีใครติดตามมาโทรมาถามมาหามาปรามทุกคนก็ดูกันเฉยๆแล้วก็ยิ้มทุกคนนั่งดูก็พากันต่างคนต่างยิ้มเธอก็ ในที่สุดเธอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็มาจอดมาจอดที่สถานีรถยนต์สายใต้ขณะที่เธอนั่งในรถยนต์เธอก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อถึง แต่ก็คิดว่าถ้า hoe kan je dat Long Hoe kan je dat doen? Hoe kan je je dat je วันนี้จะเมื่อคืนนี้อยู่ที่พักพักที่วัดไม่ใกล้ไกลแต่วันนี้อยากจะมาที่นี่คิดว่าบางทีน้องอาจจะ ในที่สุด พี่ชายบอกไม่เป็นไรไอ้โรงหนังนี่เค้าไม่ห้ามเค้าว่า อะไรก็มากขนมจีนก็เป็นหาบก็เป็นว่าเธอก็ไม่แก้ที่บ้านเธอ เป็นอันว่าสมเด็จกรุงยมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านก็เป็นเทวดาประเภทที่เรียกว่าสงเคราะห์คนจริงๆ ขอทุกท่านอย่าประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีขึ้น 1 รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลเป็นการตัดความโสทที่ละน้อย 3 รู้จักการเจริญภาวนาคือรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกถ้าไม่รู้จะภาวนาว่ายังไงจะภาวนา ทำวันละ 2-3 นาทีก็ได้เวลาจะทํา จึงมี